เรื่องขันธโลกเพิ่มเติม ข, ขึ้นอีกขันธโลกคือตัวของเราเรียกว่ามรดกนั้นเราได้อย่างน้ำค่าแปลว่าของมีค่ามากมันขันคือตัวของเรานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะมีมากมายรลหลายทั้งดีทั้งชั่วถ้างหากไม่มีตัวของเราอย่างเดียวจแล้วโลกกะหายได้มีประโยชน์อะไรไหมคนที่จะพัฒนาโลกให้เจริญรุ่งเรืองต้องท้ขันท่โลกทั้งแต่และบุคคลมาทาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นหา โลกอันนี้ถ้าจะที่จะเสื่อมคิดหายอัตะลักายศาสตศูนย์ไปก็ก็ฝีมือของขันธโลกอันนี้คือตัวคนแต่ละคนนี้ทําให้คิบหายเสื่อมถูงไปดัง น, นั้นตัวดีก็อยู่ตรงนี้ตัวชั่วก็ตรงนี้ทําให้จเจริญกร็ตรงนี้ทาให้เสื่อมคิบหายกับคนผู้เดียวคนนี้ พุทธศาสนาสอนให้เฉพาะแต่ละบุคคลพากันตั้งใจสัมรวมของใครของมันไม่ได้สอนให้คนอื่นสํารวมซะก่อนแล้วเราจึงเผยลุ่มสัมรว ม, รวมคนอื่นลาแล้วเราจึงเผยละไม่ใช่อย่างนั้นสอนในแต่ละคนพากันละพากันสํารวมในสิ่งที่ชั่วทุกคนถ้าต่างคนต่างพากันระวังจังหวะ กายว่าใจใจมังตนและกละคนชั่วของแต่ละบุคคลโลกอันนี้มันก็เจริญลกเหยื่อดยคนุกมีความสงบสุขเยอือกเย็นเป็นสิ่งที่นา่ายู่ขันธโลกยังด้ชื่อว่าเป็นของดีมีค่าเราได้ขันธโลกคือเราได้ตัวตนอนนี้เกิดเปนมาแล้ว เป็นไปของนาภูมิใจพอเราได้สิ่งดีแล้วเราได้ของหาค่าได้สิ่งที่ร่าค่าหาอนไรก็เสมอเหมือนไม้ได้เราต้องการอยากจะแสวงหาสมบัติทั้งหลายในโลกาาวันนี้ท้าหารในสันธโลกนี้เราหาได้เราต้องการอยากจะแสวงหาความสุขมรรคผลนิ่านในกรตดองอาศัยสันธโลกนี้ คือตัวของเรานี้พระพุทธเจ้าทัานสอนสาศาสนาสอนเข้ามาในขันธโลกดังที่เราพากันตรวจอยู่เสมอว่าบะโมลอะปวัตติพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดคือสอนงเรื่องขันธโลกดูฟังอนิจังเวทนานิจฉาสัญญาณิจฉาสังขาร ยินญาณัตตารู้ฟังมรตายื่เนี่ยตั้งๆอยู่ตรเนี่ยเมนาตตาสัญญาณตตาสังขารตตายินญานัตตาในผนที่สืกับเปสังขารานิจักสเปเพมมานตาทีรู้ฟังนิจังรู้เป็นของไม่เที่ยงเมตนาศความสุขความทุกข์ ก, ก็เป็นของไม่เที่ยงภูเปคาเป็นของไม่เที่ยง สัญญาคือส่วนจดจำก็เป็นสองไในเที่ยงสังขารคือส่วมคิดส่วนนึกส่วนปรุงงงแต่งของในเทียยนนเท่ยงถ้าพูดถึงเรื่องสังขารอย่าลืมยีม่สองอย่างสังขารคือจิตใจคิดนึกปรุงแต่งเรียกว่าสังขารจิตถ้าพูดถึงเรื่องสังขารเราต้องนึกถึงเรื่องสังขารมีสองอย่างเสมอไปสังขารคือรูปร่าง ตัวตนนี้เขาเรียกว่าสังขารความคิดจิตใจปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารมีสองอย่างเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันยินญานเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันคือความรู้สึกที่ว่าลูกเป็นอนัตตาอีกสัญญาไอเวทนาก็เป็นอนัตตาเป็นสัญญาต่งางๆนินยานก็เป็นอนัตตา อาหากเรามาพิจารณาเห็นขันหักที่รูปเวสนาสัญญาทังขานียานี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราพิจารณาค่อยๆเฉพาะในตัวของเราท่นี้ไม่ต้องไปคิดทั้งเรื่องอื่นพิจารณาทังเรื่องอื่นเมื่อเรามาพิจารณาทั้งเรื่องรูปเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเราอาศัยรูปนี้อยู่เป็นที่พึ่งสพาอาศัยให้เราได้อาศัยเราเห็นเนื้อของไม่เที่ยงมัน ม, มีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์ถ้าแห่งของไม่เที่ยงนะเราจะได้รีบเร่งทําคุณงามความดีหรือว่ารีบเร่งแสวงหอาอาชีพที่เราโดยทางสุจริตไม่ได้คิดนในทางทีชั่ ถ้าเห็นของไม่เที่ยงตัวพอมาเสียบเหมือนกันกนว่าคนที่เข้าป่าหาปืนในตอนค่ำจนจนมืดแล้วอันนี้เวลากลับมาปกติธรรมดาคนหาปืนจะต้องหนาน ด, ดุดดีๆมาไมมดีๆมาทำปืนแต่เวลาไม่จนค่ำแล้วไม่อย่างนั้เอาเพราะมันเปนไม่แห้งแล้วก็แล้ว อย่างน้อยที่ซื้อก็ขอให้ได้มาได้หงส้มในวันนั้นในตอนเย็นมันคนที่พิจารณาเห็นของไม่เที่ยงคือตัวของเราเปนของไม่เที่ยงเพรั้นเมื่อกัดเราเห็นว่าตัวของเราต้องสองไม่เที่ยงแล้วหากเราก็กรอบอาชีพทำมาห้ากินก็จะรีบเร่ง ท, ทําเร็วทาให้มันทันกับกาลเวลาคําว่าไม่เที่ยงไอ้ที่เนี่ยคือไม่ได้จ้องแปลปวนไปสักอย่างไดอย่างนึ่ง เ, เคลื่ไหจ็บไข้เ้ป่วยเขาเรียกว่ า, าเรื่งรองไม่เที่ยงเนื้อมีอุปสรรคคัดคลองอุปการ่างต่างเรืของไมเ่เที่ยงเนื้อมันอาจจะแตกดับในวันหนึ่งข้างหน้านไม่กี่วันนี้ก็ได้รีบเร่งทาจิต ก, การงานนนัใดที่เราจะต้องทําระพุทธเจ้ายังตรัสเทศน์เอาอัิเจวคิดแกมาตตังโกยัญญาบารนางสุวยนัฮโนสังตระเตนะมหาเตนะ ม, น ม, นมนจุนา อันเียวกี้จะมาตะปังเราไม่ทราบว่าจะตายวันนี้หรือุ่นนี้อันเดียวกี้จะมาตะปังโกยัญญาบุรณะสุเวย์ไม่มีใครรู้นาฮิโนสังกรั์เตนะมหาเตเนนะวัจุนาเราจะพัดเที่ยนเสียนเวลาไม่มันเก่เจ็บตายไม่ได้เตนามานมันแวดล้อมแล้วอยู่ขณะ เราเข้าใจว่าเสนานเป็นยกคนนิกายใหญ่โตหัฐานมีอ า, าวุธคบการปฏิบูรณ์ึงเรียกว่าเสนามานที่พระองค์เจ้าหมายมันจะหมายตรงนั้นเสนามานคือว่าพวกที่มันมาก่อนสญามามเสนามานมันจะต้องให้พวกเสนาเข้ามาลบตบต่อยหรือว่าทําลายและเบียดเบียน กำลังของเราให้ ก, ก่อนใช่ก่อนแล้วมั น, นยังเคยยกกองคนใหญ่คือมัจจุราชธออารรมรบเทนามันที่มันยกข้นมาสู้รบตบใส่เราคืออะไรความแก่ทําให้ทุกคนอ่อนกําลังความเจ็บปมป่วยทําให้เราทุากคนอ่อนกาลังอาการด้ว ปรการทั้งมวลที่เป็นเหตุให้เราได้อ่อนกําลังสุขภาพแม้ที่สุดแต่จิตใจอ่อนเพรียหรือว่าจิตใจที่เกิดคิดค้านอยู่ในยมพวกเสนามานทั้ง น, นั้นไม่ใช่เป็นของทัพของคนอันนี้นที่มันเกียเดเบียดเราอยู่ทําให้เราอ่อนแอก่อนกาลังอ่อนทั้งกําลังใจอ่อนทั้งกาลังกายครั้งเมื่อเราอ่อนเพรียวแล้วเราอ่อนแอกันแล้ว มัจยุาราตมัจยุราต์คือว่าพรยามัตยุราต์คืกองทัพใหญ่มันจะเข้ามังโหมทัพผมเอาบุออกเอาซจนให้ปลายชายผ้าแพรในขนาดเลยมัจยุราชคือกองตายมาที่หลังคือกองแก่คนเจ็บนั่นแหละเป็นะมาสักรมาก่อนมัจยุราช์คืนแม่ทัพใหญ่มาตามหลัง นี่แหะความที่ว่ามันไม่เที่ยงผู้ที่พิจารณาแห่สองไม่เที่ยงแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ี่ประกอบกิจการงานในเรื่องเดต้องประกอบทำมาสำ เ, เร็จเสร็จตักไปร่วงไปนอกจากนั้นอีกคุณงามความดีที่เราจะต้องทําเราเห็นแล้วเข้าใจเสียแล้ ว, ว่ความชั่วเป็นของไม่ดีนํามาเป็นกองทุกข์ คนเราเกิดเคอมาต้องการสุขทุกคนก็ต้องการคนดีขณะที่บางคนทาชั่วนั่นแ่ะแต่รู้จึกอยู่ไม่ต้องการแต่ว่าทำเลยทำหน้าของกิเลสมันบังคับให้เราก็ทำแค่ที่จริงคนชั่วไม่ใครต้องการและปราศนาสักคนที่เราพากันเห็นว่าเป็นของไม่ดีจะพากันรีบกระละ แลรีบเร่งต่างผลงานคนดีให้มีขึ้นเหมือนเหมือนกันกับบุคคลผู้ไปแย่งหากินกันสิ่งที่ราบรวยทุกคนก็ต้องการการสรรหาไม่ว่าอะไรทั้งหมดอนะ่ะนับตั้งตนแต่เนื้อปลาหรือพักหย่าไม่ต้องพูดถึงเรื่อเงินหนึ่งทองถ้าเห็นน่่เป็นสิ่งที่เก็บพึงได้จ ะ, จะรีบเร่ง แย่งชิงเอาก่อนเขาคนผู้เห็นชีวิตร่างกายเห็นตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงพอยรีบเร่งรีบทำรีบเอ า, ามันทันกับกาลเวลาอย่าได้ชักใจคนอื่นจะมาแย่งอกคือมาจุราดดังอธิบายมาแล้วมันจะไม่แย่งออชีวีของเราไปผู้เห็นของไม่เที่ยงมันดีอย่างนี้ถ้าเห็นว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่เกิดตมฆประมาทโลกอันนี้ที่อาจจะประมาทเลือกล่าเลยมีกับโระเพียดนี้เองไม่ได้คิดเรื่งความตายไม่ได้คิดเรื่องความไ่เที่ยงลืมคิดนี่จะมุ่งถ่ายเดียวที่จะต้องให้มั่งนี้แล้วรุ่งรวยอยากใหต้องให้ดีให้เด่นให้ต้องให้ยิ่งเสริิสโสยิ่งกว่าคนอื่นทั้งหมด ขั้นเป็นตังขั้นห น, นึ่งเยื่อน่ยพาสิทธิเลยว่ะอวดดีแกตายอวดสบายแกโลกอวดดีเนี่ยอวดดีไปทำไมก็ไปมันจะไปต้องตายสักคนนะเรียกวอวดดีแกตายอวดสบายแกโรคเว ล, ลยอยูดีสบายแล้วเกิดเพื่อเกิดห ม, มองหมอประมาท อวสบายแก่โลกโลกไม่จะมาถึงเราวันหนึ่งข้างหน้าไม่ใกล้ก็ไกลไม่ช้าก็เร็วเขาคอยรอแล้วอยู่ข้างหน้าเนีอวดสบายว่าตนเก่งเอาความสุขสบายแล้วอวดตัวนั่นตัวนี้อันนีกว่าอวดสบายแก่โลกนั่งโงกงมงแก่เลแลว่าตนลูกสนซื้ผีเฮ็ดดีอย่างไรภายในเน้นหนัก ลงรักอยู่กอดตาบอดใจบ้าพิการตั้งหาท่านแจงทำโปรออย่างนี้นั่งงกงมแก่เห็นว่าตนแก่แล้วก็เลยถือแต่คงาแก่เดี๋ยวทำอะไรก็ไม่แก่แต่แล้วสาวเส้นเนตตาก่แก่แต่ทำบุสุดท้ากต่อแก่นั่งงกองมแก่อ ย, อยู่นั้นเลี้ยวแลวว่าตน อะไรทั้งโม้ของตนนะลึกของเสือของกู่ของกูมันจะของคูอะไรถือแลมันก็ไม่ได้คู่แล้วมันก็ไม่ได้ว่าตนมันก็ไม่ได้ตนเลยในตาติวันไหนแม่เจ้าดาจะมาล่าเข้าไปไมของเขาจะแท้เรามายืมอยู่ชั่วกลางชั่วข้าวชั่วระยะรวลาเดียวเดียวนะเนื้อแล้วว่าตน ความจริงรูปตนขอีอผีผีดิบผีเนี้อผีดิตเนี่มาทนาันเน่าไม่ว่าทันสุขผีเดินได้ผีเจ้านีว่าผีเดินได้ไปมาเดินได้ผีอันนี้เป็นของหน้าตัว อ, อย่งเกิดผีตายผีตายอยู่ในโรงในหีบมันจะมาทำอะไรกับคน ผีตัวนี้มันอาจสามารถจะขาผลก็ะดัยทีผลกระดัยลักทกขโมยเขาก็ะดัสามารถจะแช่งจะด่าใครใครก็ะดัเกียดผีก็ทักกระเทือนใครก็ะดัมันทําได้ทุกอย่างเลยผีตัวนี้นะเดียวเรียนคนอื่นทุกวันนี้เนี่ยก็เปลียดเรียนเขากินกุ้งกินหอยกินปูเรียงตาตั้งเป็นผีแต่แค่ที่ให้กินหมดทุกอย่าง เต๊กไก่ก็ไม่เหลือนี่เอาผีมันทีอยู่โรงไม่น่ากลัวแล้วมันไม่ลุไปนะ้วผีจะนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิง่งอย่างรู้ตนเหมือนผีจะ เ, เห็นดียังไงจะ เ, เห็นดีในตัวของเราเราของเร า, เราตัวนั่นตัวนถ้าภายในเน้นหนักอันตัวคนเราจะภายในนั่น ในภายในตัวคนเรานี่มันตั้งหน้าเี่ยเสียตายพื้นง่ายง่ายเราคืลว้คืลุมส่วนเรานอนกอดหลุ eh. ่มส uh, ่วนนอนแต่การคืนน่งกอดหลุ่มส่วนดีที่ยังท้องเรก็โกลกโกกภายในต้งั่งดูกอดตาบอดเจบตาเป็นปัญหาเมื่ มัดเรื่องเป็นข่ายของกองจหญ่ต้องสปยียวยาเนี่ยถ้าหากว่าเห็นเป็นของเที่ยงแล้มันก็เลยประมาทมัวเมาไปทั้งหมดถ้าเห็นไป็ของในเที่ยงมาตรงอันนี้เจียงต้องสั่งอจาเจ้พระย์ยาวสั่งถึงงานคนดีนี่มันทำต่อกาลเวลาเห็นเป็ น, น, น, น, น, นสุภาะปฏิปูณ เ, เห็นเป็ น, ปนก้อนเน่าของ เห็นเป็นผีคนเราถ้าเห็นเราเป็นผีเห็นตัวไม่ดีแล้วนะจะค่อยเตียมตัวจะไม่เหือเฉยอฉยานเ ก, กิดความกำหนจะกินเนื้อกินปลากินกุ้งกินหอยเห็นตอนนั้เป็นผีกงก่อยเห็นในที่เราคิดหัวเราะตนเององการตน ไม่เพยเทอร์ทอย่างที่โดดเกินขอบเขตบางคนที่เห็นว่าตนเป็นของดีวิเศษตัวไม่ได้คิดดังความมักปรารถนาแล้วไม่ต่างตามชอบใจตัวนั้นเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นเป็นผีตัวหนึ่งอะถ้าเราเป็นผีนี่จะคองตัวจะไม่พเพย์เยอร์ทะยานด้วยในเรื่องนี้อันนี้จงมันดีมีประโยชน์อย่างนี้ เห็นอนัตตาจะเหมืองกันแค่นในทางลองเดียวเห็นดูเวทนาสัญญาอันตายสัญญาเป็นของเป็นอนัตตาอนัตตาเดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเราเราอยู่อาศัยตัวกลางตัวข่าวมีผู้ใดเจ้าดันเทศมากมายเทศนักเทศหาแทกเข้ามาภายในตัวงเราเพื่อมาอธิบายสัญญาอันตรายเรา ยานายจะสอในเรื่องขันธโลกให้คนเห็นขันะโลกกว่าตัวขงเราเป็นโลกคือ ข, ขันธโลกไม่ใช่ถือไม่ไม่เห็นนักปตัวเป็นตัวเห็นนั้นยังเทศยกเรียนไปมาอย่างตรงเนี้ยสอนยกเรียนใบไม้ตรงเนี้ยคาชี้ต่างๆที่จะแสดงไว้มากมายกว้างขวางเขาไม่ได้สอนที่อื่นั้นไม่เทศสอนให้เพียงแค่ว่าให้ฟังให้เฉยสอนใหพิจารณาตามด้วย เห็นตามในนั้นด้วยถ้าเห็นตามในนั้นจริงๆอย่างแล้วคนเราสบายนีแต่เจะเสีาหาทุก น, นาฬคนดีเป็นไปเพื่อสันติสุสขมิใช่ความสงบเยอีอบเยยนเหตุนี้จึงว่ามดรดกคือกายของเราเที่ขั น, นนี้แหละเป็นของล้ำค่า สามารถที่จะสร้างคุณธรารมใเกิดมีขนาะสร้างของภายนอกนังพูดมาแล้วดังว่าอธิบายมาแล้วแต่แหวนห้าสักสินเงินทองวัตถุสิ่งของได้เมื่อสร้างโลกใหเจริญบูงเมืองได้อย่างเขาสร้างถนนนนทางบ้านเมืองให้เจริญงอกงอามไปมาสะดวกต้องเที่นี่กระล้วนเนีแต่ขันโลกอันนี่เป็นคนสร้างนั่นแหละสิ่งของดีนีค่าขึ้มนมา แต่สมัยโบราณเขาจะสร้างกันยิ่งสจดางกว่าสมัยตอยนนี้อย่างที่สถานที่มีชื่อเสียงโด่งดังนครวัดนครธมประสานยิ้มจีไม้อะไรต่างๆที่เป็นความวิจิตรที่เดานจนสมัยนี้ใครไปเห็นได้จนปวดหัวเช็บหัวไม่สามารถทําได้เลยแต่เฉาะคันธโรตอนนี้ทําก็ได้คันธโรนี่ก็ทําได้ถึงขั้นน จึงว่า น, นี้เป็นของมีค่าหาประมาทขันธโรกนี้อั น, นั้นเป็นวัตถุภายนอกขนาดต่างไวเป็ น, นอนุสรณ์ในปรากรเจตาของโลกถึงว่าเห็นอย่างนั้นแล้วสดีนี่ประจักษ์ที่อย่างนั้นต้องเป็นหลายพันปีมาได้สำจักรแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําคนให้คนจากถุกได้ไม่สามารถที่จะทําจิตใจให้มัน ใจสะอาด้วยสุดฟองใสหมดจดใจไม่เหมือนขันธโลกอันนี้ขันธโลกอันนี้น่ะถ้าเรามาพิจารณาถึงขันธโลกดังอธิบากันลจิตใจฟองใสจัอาบริสุทธิ์เห็นเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาเห็นไม่ใช่ตนใไม่เกิดตัว ไม่ชัดชัดตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเป็นจักวาลภาพธรรมอายตนะเห็นเป็นสารมณ์ภาพปฏิปุปพิจารณาเห็นความทุกข์อันนี้แจงทุกขังน้าตาพิจารณาเห็นชัดตาเป็นจริงเลยกลายเป็นธรรมขึ้นมาผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเลยไม่ถือเป็นตนเป็นตัววางความยึดความถือที่เรียกวุปทานถือมา สำคัญมันเป็นตนหตัวลงไปได้จิตใจก็ฟ่องใสสะอาดสาจิตุจผู้ดีผู้ดีง้นที่เป็นเหตุให้ยึดถือไม่ได้ก่อนสลายไปหมดวางไปหมดปล่อยทอดเท่าไะพธะศาสม า, าสอนตรงสุดจุดนั้นคือสอนให้รู้เท่าเห็นตามจ ร, จริงไม่ถือสิ่งใดในแรนงกดทั้งตัวหมดจะเป็นตนเป็นตัว นี้เป็นชุดหมายปลายทางของพศาสนาถ้าหากพิดจะนาตามแนวนี้เรียกว่าศาสนาเลยประดิสฐานอยู่ที่ตัวของหลรกที่ศาสนาคือคําสอนที่พระเจ้ารถว่าคำสอนเรียกว่าศาสนาคือคําพุทธศาสนาคือคําสอนของพระเดจจารถว่าพระเดจจารถาสอนตรงที่กายของเราดูเวทนาสัญญาต่างๆนี่ญันเมื่อสอนด้วยกายส้วงเราก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนา คือขันห้าที่เรียกวันโลกทิว่านเนี่ยเป็นธรรมก็เลยกลายเป็นคําสองพูดจาวตัวของเราทั้งหมดเป็นคำสองพูดจาวกลงว่าตัวของเราเป็นคําที่คํำทียงพุทธศาสนาอย่างอย่างเดียวที่หลวงเราอ่านไม่ออกคือไม่อ่านตำพีของพุทธศาสนาก็เลยไม่ได้ปัญญาผู้รู้ เขเล่นหลงคําทีแบกคําทีอยู่เรียกว่ามีคําได้คําทีเปล่าคนนี้คําทีอ่านคำทีไม่ได้ก็เรได้ชื่อว่าได้คําทีเปล่าแบกบไปแบกมาเรียกว่าเป็นที่น่าเสียดายอาหากว่าเราได้ท้องดีมาแล้วไม่รู้จักท้องดีก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย เขาจะไดเจ้สอนต้ำจาและทราสคำหนักคำหนาเพื่อให้อ่านคำพีนิษี์ออกเมื่ออ่านคำพินิ์ให้ออกแล้วก็ได้คิดว่าเราถึงศาสนาเราอ่านศาสนาได้เราได้ศาสนาได้เร า, เ า, า, า, ารู้จักศุดย่าของศาสนาคำสองคำหนึ่เราจะไปมัวเมาคิดประโยชนอื่นหลายเรย่องคำสอมคำหนึ่ ถ้าคนใดคิดว่าทำคำสองพจน์ยาอยู่ห่นใจนอกจากรวัวของเราคนนั้นไม่มีวันที่จะได้เห็นทำคำสองพจน์ยาเลยสักทีไม่มีเวลาที่จะทําคิดใจใสสะอาดเลยสักแต่ถ้าหากเราเรพิจารณาตรงนี้เข้าใจตรงนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งแลเลยไม่ต้องแปลคนที่ไปแสวงหาภายนอกนอกจากรวัวเราก็เรียกว่าคนหลงอยู่ดี พูดง่ายๆจังว่าคนหลงจะค่อยหาคนไม่รู้ไม่เห็นยะค่งบถ้าคนไม่หลงแล้วไม่ต้องหาถ้ารู้เห็นตามในจริ่งก็ไม่ต้องวิ่มวนมอยู่ตรงไหนก็เป็นเห็นสิ่งก็สมมติัดเจนก็สมมติมีการศึกษาศาสน า, า, าทําคําสอนโดยการในแนวปฏิบัติต้องเห็นอย่างนี้เฉกว่าฟังเทศฟังทำคําสอนโดยํา ฟังให้เข้ากับพิจารณาคนเราตามธรรมะอยู่แสใงไปจนเห็นชัดแจง้งเชนภายในใจนั้นตนเป็ น, น้นว่าถูกต้องตามประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการเทศและต้องการสอนให้มนุษย์ชาวโลกหลายเข้าใจในเศาสนานี่บรรยายธรรมะถึงเรื่องขันะโลกเพิ่มเติมอากอ็อยู่แต่เพียงแค่นี้แหละถ้ากา ร, รีิ้นรนจะ่อควมเพียร ว่านน่าเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องเรียกเร่งทำเพื่อให้มันทันกับการกะเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทัน กาดหนาวยทันตลาดากิจการกาดเองรีดแกวรีบพายอย่าให้มันสายเดาบัวจะเหลลเ่วเข้ามาตัวของเรามันเหวพระตะวันยุทธวันรีบดแกวจะรีบพายอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่า เวลาพอมาต้องพวดถ้าหากเป็นดอกบัวก็เนื้าวัฒนล่วงหมดก็มีเที่ยมพอบาออนในตอนที่เวลานี่เเขานี่กลิ่นหอมบรนบานในตอนนี้ชีรีส์มีเสื่องหมายในขนาดที่ว่ามันกำลังบานคือเรายัง รู้เห็นเป็นความจริงอยู่น่เรียกว่ามันบายังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบาปทั้งนมและเกลมันเรียกว่าบาปแล้วมันรับธรรมะคำสอนงเจ้าเรียกว่าบาปแล้ว กาไมนแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝานวันนี้แล้วไม่ยินเดาฟังแล้วไม่ชื่อบาดถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึ่งคุณางามวนดีเรารักษาจิตใจของเราไใใด้จิตใจเรื่องของขดแกวไม่อยู่นิ่งนอนได้ ไปวันข้างหนา้าหรือเดือนหนา้าปีหนา้าก็ไม่ทราว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ท่าจะได้ยินนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพรเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษากวามสงบอบรมให้เขาถึงเอสสตาลงสมอลง อ, อกุลไอลงเอสสตาจิต ให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไร้ไมีการส่งสายใช่ไหมเราเอาความมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาฝ่ายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นนี่ยเป็นการชาระ แก้ไขตนเองในตัวลงถึงอปปนาแล้วมันงก่อนลงถึงอวปจาระจิตแน่วแน่ลงไปหารมอันเดียวจะนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวตอนนั้นแหละสิ่งที่เราต้องสารพัดถ้าหาก็่าพิาาจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้ว มันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแต่งไ ม, มีใครใครบอกสอนมันทั้งเป็นเองนานเรียกว่าจิตพักพักขั้นไปก่อนเจอสิ่งที่ปรารถนาแท้เลยคืออุเบกาละเอาอุเจาละ น, นั่นอย่าไป บ, บังคับมันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่ง